สมมติว่าผมอยากจะเกิดในภพต่อไปผมมีความประสงค์ที่จะได้ท่องเที่ยวกับทำการค้าไปไปทั่วโลกตลอดชีวิตผมจะต้องทำบุญชนิดใดบ้างคนที่จะทำการค้าได้ล้นโลกได้เต็มโลกทำได้สำเร็จอย่างนั้นกนะ็จะต้องมีทานเป็นเลิศนะเมื่อหลวงพ่อวัดปากนะ้ำมีชีวิตอยู่ ได้ค้นเรื่องเท่าที่ทราบมาคือในสมัยนั้นคนที่ดังที่สุดในโลกเป็นมหาเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกคือโอกี้เฟลเลอร์ก็มีคนม า, าท่านก็ค้นดูว่าคนคนนี้ทำบุญทำทานอะไรมาจึงร่ำรวยถึงปานนี้ค้นไปแล้วก็พบว่ามหาเศรษฐีโอกี้เฟลเลอร์นี่พบในอดีตได้เคยทำทานไว้กับพระปัจเจกผู้เจ้าเมื่อตอนท่านออกจาก นิโรธสมาบัตใหม่ๆผลทานอันนั้นก็เลยติดตัวมาจนกระทั่งมากลายเป็นอันเศรษฐีอันดับหนึ่งของโลกนี่ก็เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าคุณต้องการจะเป็นนักการค้าที่มีการค้าคลุมไปทั้งโลกสิ่งที่คุณต้องทำคือคุณจะต้องอันที่หนึ่งทำทานให้มากมีโอกาสเป็นธรรมกันล่ละอันที่สอง การจะทำการค้าได้เนี่ยการค้าก็มีสองประเภทมีทั้งมิจฉาวานิชการค้าที่ผิดศีลธรรมกับการค้าที่ไม่ผิดศีลธรรมการค้าที่ผิดศีลธรรมเนี่ยทำแล้วรวยเร็วแต่ว่าแล้วก็จะพินาศเร็วอีกเต็มพวกขอค้ายาเสพติดต่างๆรวยเร็วแต่ว่าพินาศเร็วคุณก็ต้องป้องกันตัวเองว่า กิชาติกิชาติไม่ไปเผลอลายไปทํำงั้นเพราะฉะนั้นชาตินี้ก็ต้องตั้งใจรักษาศีลไปด้วยและอันที่สามคนที่มีกิจการค้ากว้างขวางจะต้องมีปัญญาควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นคุณเองต้องมันทำภาวนาด้วยไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีปัญญาดูแลกิจการอันที่สี่เมื่อการค้างเรามีมาก แน่นอนคนเดียวดูไม่ถึงจำเป็นจะต้องมีบริวารสำหรับเป็นมือเป็นเท้าให้คำว่าบริวารอันนี้เนี่ยไม่หมายรวมตั้งแต่อาจจะเป็นภรรยาของเราอาจจะเป็นสามีของเราหรืออาจจะเป็นลูกเป็นหลานของเราในที่สุดอาจจะเป็นลูกจ้างเป็นคนใช้ของเราก็ตามที่มีความสามารถน่ะเอามาเป็นบริวารของเรา เป็นมือเป็นเท้าให้เราการที่คนใดคนหนึ่งจะมีบริวารอย่างนี้เนี่ยก็จะต้องมีบุญอยู่อันหนึ่งว่าจะต้องตัวเองน่จะต้องเป็นผู้นำบุญแล้วก็ชักชวนผู้อื่นให้ทาบุญทาทานตามไปด้วยยิ่งกว่านั้นต้องให้ธรรมทานก่บเขาด้วยคือให้ความรู้ด้านธรรมะให้เขาด้วย นะคือตัวเองจะต้องเป็นผู้นําบุญชักชวนญาติมิตรญาติสนิทมิสหายต่างๆทําบุญทําทานร่วมกับตัวแล้วก็ให้ความรู้เป็นทานงเขาด้วยถ้าคุณทําพร้อมอย่างนี้แล้วคุณจึงจะมีสิทธิ์ทําการค้าได้คลุมโลกอ๋อและประการสุดท้ายต้องตั้งอธิษฐานด้วยนะตั้งอธิษฐานไว้เลยแต่ว่าขอเตือนนะว่าพอได้อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับคุณหรอก ถึงคุณจะค้าได้คลุมโลกแล้วคุณได้อะไรคนเรามีจะว่ามีบ้านมีวังสักพันวังนอนก็ได้ทีละวังเท่านั้นแนะ่ะไม่ใช่ น, นอนเลยไ อ, ไ, อไอตัวนอนอยู่วังนี้เท้ายื่นไปพาดวงนนางโน้นเมื่อไหรเนาะมันทำไม่ได้มีอาหารเป็นกดังกดั ง, ก, ดงก็กินได้ทีละอิ่มใครกินได้ทีละสิบอิ่มมั่งไม่ได้ แต่ว่าเอาละเรามันก็ประเภทอยากดังออยากจะดังให้มันเต็มโลกทํานี้สิอธิษฐานเลยให้เราเนี่ยเกิดไปกิจชาติจชาติตัง้งตั้งอธิษฐานเนี่ยอให้ได้เป็นมหาเศรษฐีเนี่ยกิจการคลุมโลกแล้วได้ทรัพย์สินเงินทองมาเท่าไหร่เท่าไหร่ให้ได้บํารุงพุทธศาสนาให้เต็มที่ล่ะจะส่งพุทธศาสนาออกข้ามจักรวาลไปเลยเอามันอย่างนั้นไปเลยสิยงงละนี้เขา่าวทา คือถึงแม้เราจะหลากร่ำอยากรวยแต่วไม่ใช่รวยเปลา่ารวยมาเปล่ามาทำอะไรเงินทองกินได้มันอะไรแต่ว่าเออเอาเงินเอาทองนะมาสร้างบารมีต่อเอาสิอย่างอนาทบินสิกะเศรษฐีด่ารวยแล้วไม่ได้มาร่ารวยเปล่าๆเอาเงินทองเหล่านั้นมาเป็นกองเสบียงมาเป็นคลังให้กับพระพุทธศาสนาส่งพระพุทธศาสนาเผยแพร่ไปตามที่ต่างๆเต็มที่เลย เต่ถ้าอย่างนั้นเราก็อย่างนี้อันรวยด้วยดังด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยนะแล้วก็อธิษฐานล้อมครอบไว้อีกอย่างนึงด้วยในเวลาเดียวกก็ปฏิบัติตัวให้ดีคืออย่างมหาเศรษฐีอนาถบินทิกะเนี่ยทั้งๆ ท, ที่ตัวเองก็มีคุณธรรมสูงแต่ว่าถึงกรณ น, นั้นยังมีลูกหลานชี้เมามาเกิดในตระกูลเนี่ย แสดงว่าพบในอดีตอนาถบินธิกะเศรษฐีนี่ไอ้ที่ใจบุญก็ใจบุญหรอกแต่ว่าบางครั้งเวลาถูกคนพาลมารบกวนมากเข้ามาเข้าอดทนทนไม่ไหวขันติไม่พอก็เลยนนอนก่อลักษณะออกอย่างเงี้ยคล้ายๆเอาเลยจ้างมือปืนจ้างอันตรพานไปจัดการไปฝ่ายตรงข้ามซะมันอยากมารังแกเรานักเราทำเราทาดีมันไม่หว่านดีมารังแกเรานักเลยส่ง เสียนไปปราดมันซะมันก็เลยมีเวรติดตัวมาว่าไอ้จาคนเก๋ๆพวกนั้นที่เคยสนับสนุนให้ไปทําความเลวมานะเกิดมาชาตินี้เข้ามาเลยมาเป็นหลานข้างตันมาอยู่ในวงสกุลเดียวกันทําให้เสื่อมเสียวงสกุลเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าอยากจะเป็นคนเอโด่งดังไปข้างหน้าแล้วในตระกูลของเราไม่มีคนชั่วมาเกิดเลยก็อธิษฐานให้ดีเชียวว่าเออ ตัวของเราเองก็เป็นผู้ที่บริสุทธิ์กายวาจาใจาตลอดไปแล้วใครที่ความบริสุทธิ์กายวาจาใจาไม่พออย่าให้มาเข้าใกล้เราได้ให้มันละลายหายไปให้หมดไม่องั้นเดี๋ยวเราจะพลอยเป็นผ่านตามกัมันไปด้วยแต่ถ้าอย่างนั้นก็มีหนทางเหมือนกันนะแล้วก็อีกนิดหนึ่งว่าถึงเรื่องด้านการค้าเคยเล่าให้พวกเราฟังมาแล้วครั้งหนึ่งไม่ทราบพระู้ทธศาสนาอยัางจําอยู่หรือเปล่าคราวนั้นคือมันมีอยู่ วันหนึ่งมีพวกพวกนะ่อค้ามาถามพระสารีบุตรว่าพระคุณเจ้าพ่อค้าบางคนคำนวณว่าการค้าที่ทำคำนวณแล้วว่าปีนี้จะได้กาไรเท่านั้นเท่านี้ก็ได้ตามปรารถนาไม่มีคลาดเคลื่อนเลยบางคนคำนวณ ว, ว่าจะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้มันกับขาดไปไม่ถึงเป้าบางคน คำนวณว่าจะได้กำไรเท่านั้นเท่านี้ถึงเวลามันได้เกินกว่าที่คำนวณทุกทีเลยไอ้ น, นี่มันอะไรกันเหรอภาษารีบุตรก็ตอบบอกว่าบางคนเนี่ยสัญญากับสมณะฉีพรามสัญญากับพ่อแม่ว่าทำการค้าขายแล้วได้กำไรแล้วแล้วก็จะไม่ให้คุณพ่อคุณแม่ทางนั้นจะถวายพระเท่านี้พอถึงเวลาแล้วมันไม่ถวายเท่านั้นหรอกมันให้ครึ่งหนึ่งบ้าง บางทีมันไม่ให้เลยมัง่งไอ้พวกให้ครึ่งหนึ่งมัง่งถึงเวลาก็ทําการค้าการขายอะไรก็กําหนดว่าจะได้กําไรเท่านั้นเท่านี้ถึงเวลาแล้วได้แค่ครึ่งเดียวไอ้พวกเบี้ยวไม่ให้เลยถึงเวลาทําการค้าการขายไม่มีกําไรเลยเท่าทุนทุกทีบางพวกสัญญาไว้กับสมณะชีพราหม์ว่าจะทําบุญทําทานเท่านั้นเท่านี้สัญญาคุณพ่อคุณแม่จะทําบุญทําทานเท่านี้ถึงเวลาก็ทําตามที่เออ สัญญาเอาไว้พวกนี้ค้าขายทีไรก็ได้กําไรเท่าที่ตั้งเป้าไว้ทุกทีแต่พวกไหนบางคนพระนักการค้าบางคนสัญญาไว้กับสมณะจีพราหมณ์กับพ่อกับแม่ว่าเมื่อได้กําไรแล้วจะทำบุญเท่านั้นเท่านี้ถึงเวลากับทํามากกว่าที่สัญญาพวกนี้แหละที่จะได้กําไรเกินควรเกิคนคน่าเออมันมีเหตุมีผลของมันมาอย่างนี้ สมมติว่าผมจะทำบุญกับวัดนี้แต่ผมไปอยู่ต่างประเทศถ้าผมส่งเงินเป็นธนาณัตมาโดยที่ผมไม่ได้ยื่นด้วยมือของตนเองผมจะได้รับบุญเต็มหรือเปล่าเออบุญเนี่ยมันเกิดสามระยะคือคำถามั น, นี้มันยังกำกวมอยู่นิดๆิดนะบุญเต็มในที่นี้เนี่ย บุญเกิดขึ้นสามระยะระยะที่หนึ่งเมื่อคิดจะทําก็เกิดสักสิบเอร์เซนตระยะที่สองเมื่อขณะลงมือทําระยะที่สามระยะที่สามเมื่อตามระลึกถึงเนะมื่อคิดจะทำนะเกิดสักสิบเปอร์เซ็นตมื่อลงมือทําเกิดสักเจ็ดสิบก็รวมกันเป็นแปดสิบเมื่อตามระลึกถึงก็เกิดอีกสักยี่สิบเอร์เซ็นก็เป็นร้อยทานนี้ ถ้าส่งธนานัตมาจะไปที่ไหนก็ตามบุญมันก็ย่อนลงไปตามส่วนจะวัดนี้วัดไหนก็ตามมันก็ย่อนไปตามส่วนเพราะว่าเราไม่ได้ทำกับมือเองแต่ถึงอย่างนั้นมันก็ยังดีกว่าไม่ทำเลยแหมมันได้ย่อนไปงั้นจะไปทำเลยวะงั้นชาตินี้มันก็ต้องไม่ไม่ต้องมีบุญกแ็แล้วกราผูให้ทานเกี่ยวกับธรรมะชื่อว่าไม่ตายถ้าเกิดในโลกมนุษย์อีก บุญนี้จะมีผลอย่างไรดีกว่าการให้ทานดีกว่าให้ทานด้วยปัจจัยใช่ไหมเลือดเออด้วยปัจจัยสี่ใช่ไหมการให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่าให้ความไม่ตายก็เพราะว่าถ้าเราจะให้ข้าวของให้สิ่งของเป็นทานเนี่ยอย่างคนจีนโบราณว่าอย่างนี้ถ้าให้ข้าวเข้าเป็นไปทาน ให้ข้าวไปเป็นทานเป็นทานไปนี่มันก็กินได้มื้อเดียวแต่สอนวิธีปลูกข้าวเขาก็ให้เ้าเขาจะมีข้าวกินตลอดชีวิตแต่ว่าถ้าให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยเขาก็สามารถประคองใจเขาในให้พ้นกิเลสไปได้ทุกภพทุกชาติเพราะฉะนั้นการให้ธรรมะเป็นทานเนี่ยจึงจึงเป็นจึงได้บุญมากกว่าอย่างอื่นแต่อย่างนั้นก็ตาม ไม่ได้หมายความว่าถ้าอย่างนั้นเราให้ธรรมะเป็นทานและต่อไปนี้ข้าวปลาอาหารสิ่งของอะไรไม่ให้ทานนะไม่ใช่คืออย่างยกตัวอย่างอัตมาให้ธรรมะเป็นทานแก่พวกเราอย่างนี้ก็แล้วกันมันก็เป็นอนิสงส์ติดตัวไปว่าอัตมาเองเกิดใจกี่ชาติกี่ชาติก็จะมีความฉลาดรอบรู้แต่ว่าถ้าไม่ให้ ข้าวปลาอาหารเป็นทานเลยสมมติอาตมาไม่ให้ข้าวปลาอาหารเป็นทานเลยเกิดไปกี่ชาติกี่ชาตกี่ชาติฉลาดก็จริงอยู่แต่ว่าอดอดหัวโตเลยไม่เอาหรอกยังไงยังไงธรรมะเป็นทานก็จะให้ข้าวของเป็นทานก็ให้คู่กันไปนั่นแหละเห็นแต่ว่าจริงอยู่แม้ธรรมะเป็นทานจะได้บุญมากยังไงก็ตามได้บุญมากบักแต่ว่าอย่างอื่นก็ต้องทาควบคู่กันไป <c oughs> สมมุติว่าชาติก่อนผมเคยบริจากรถยนต์ต่อมาเกิดในสมัยที่ไม่มีรถยนต์มีแต่รถม้า <c oughs> ผลของการบริจาคผมจะได้รถยนต์สมัยที่มีแต่รถม้าหรือเปล่าเปล่าแต่ว่าในยุคนั้นในใสายสมัยนั้นคุณก็จะได้ยานพาหนะที่ที่สมแก่บุญของตัวคุณเอง ยกตัวอย่างในสมัยพุทธกาลก็มีอยู่บางคนทำบุญด้วยก็เห็นพระภิกษุเห็นพระประเจกพุทธเจ้าท่านไปบินธบารแล้วท่านไม่ได้อาหารตัวเองก็เลยรีบวิ่งเอากลับบ้านแล้วก็รีบเอาไปให้เด็กความเหนื่อยยากอะไรก็ไม่ว่าแล้วรีบเอาไปกลัวจะไม่ทันเทนแล้วท่านแกก็อธิษฐานด้วยอานิสงส์ของแกที่ แต่ตั้งใจรีบวิ่งมาเห็นกัน เ, เหนื่อยเนี่ยเอาข้าวปลาอาหารไปถวายให้ทันเพนเนี่ยเพราะฉะนั้นเกิดกิชากิช่ า, ชาขอให้แกได้ยานพาหนะอันรวดเร็วเถอะแกก็อธิษฐานแค่นี้ก็ปรากฏตัวถึงคราวเมื่อแกเกิดขึ้นในยุคนั้นมียานพาหนะที่ใช้คือมา้าช้างก็ปรากฏว่าม้าของแกเนี่ยเดินทางได้มอถึงคราวผลบุญมันส่ง ม้าของแกเดินทางได้วันนึงเป็นร้อยโยดร้อยโยดก็โยดหนสิบหกิโลเมตรร้อยโยดก็พันหกร้อยเมตรหรอพันหกร้อยกิโลนี่ไม่เบาเลยนะขับรถยนต์วันได้เท่าไหร่เชียวม้าของแกไปได้วันเป็นร้อยโยดช้างของแกก็ช้างพิเศษไปได้วันหนึ่งเป็นร้อยโยดเออม้าของพระเจ้าจั ก, กรพรรดิที่เรียกกันว่าม้าแก้ว อันนี้ฝึกสมะไปเบื้องหน้าแล้วจะเจอมันมีจริงจริงนึกไม่ถึงว่ามันมีพวกม้าแก้วพวกช้างแก้วพวกนี้ไปเล่นรอบโลกภายในเวลาไม่กี่นาทีมันมีอยู่เมื่อก่อนไม่เชื่อว่ามีฝึกมากมากแล้วไปเจอเขาเอ๊ะมันมีค่อยๆฝึกไปเถอะของที่เกิดด้วยอำนาจบุญเนี่ยมันพูดยากมันเกินกว่าที่เราจะมาคาดชะเน แต่ว่ามันมีก้นหอยที่อยู่บนเศียรของพระพุทธรูปคือพระเกศาของพระองค์ใช่ไหมใช่คือผมของพวกเราเนี่ยอย่างพวกเราเนี่อย่างชาวเอเชียจักเป็นผมหยียดผมก็เป็นเส้นตรงตรงนี่เาเรียกว่าผมหยียดผมของชาวยุโรปส่วนมากมักจะเป็นลอนๆลอนอผมของพวกนิกโกร มักจะขดแต่ว่าหยอกหย่อยมันหยิกหย่อยอยังไงก็ไม่รู้แต่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเส้นผมทุกเส้นของพระองค์เนี่ยคือเมื่อเมื่อเมื่อก่อนที่พระองค์จะออกบวชเนี่ยก็เป็นร้อนสลวยแต่ว่าแปลกด้วยอํานาจบุญของพระองค์พอตั้งแต่วันที่พระองค์ออกบวชน่ะพอพระองค์ตัดแล้วเนี่ยผมทุกเส้นเนี่ยจะขดเป็นก้นหอยหมด แล้วขดเวียนขวาด้วยอันนั้นเป็นลักษณะมหาบุรุษของท่านรัลตลอดพระชนของพระองค์นับตั้งแต่วันที่ออกบวชแล้วจนกระทั่งวันปรินิพานผมของพระองค์ไม่เคยยาวขึ้นมากว่านั้นอีกเลยพระองค์โกนผมครั้งเดียวอันนี้ก็เป็นเรื่องของอ ำ, อำนาจบุญที่พระองค์ทำมาดีแล้วซึ่งพูดยากแต่ว่าเคย สอบถามจากคู่ที่เคยไปอยู่แถวแอฟริกาบอกว่าพวกชาวแอฟริกันเนี่ยบางเหล่าผมขดหยิกเหมือนกันแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นเวียนขวาเวียนซ้ายมันมันหยิกหยิกหย่อยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยออสองปีสามปีเขาถึงได้ตัดตัดผมสักทีผมเขาเขาไม่ค่อยยาวหรอก บางพวกตลอดชีวิตก็ติดหนังหัวอยู่อย่างนั้นแหละเมื่อไปเจออย่างนี้เข้าก็เอ๊ถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นไปได้ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยตัดผมครั้งเดียวจนกาทั่งปรินิพานเพราะว่าในโลกนี้ปัจจุบันนี้ก็มีคนอยู่หลายๆเผ่าซึ่งผมมันไม่ยาวหรอกพอถึงเวลามันก็สั้นอยู่อย่างนั้นน่ะโอกาสที่จะเป็นไปได้นะ่ะมันมี เวลานั่งสมาธิเรารู้สึกว่าตัวเรานั่งตรงแต่คนที่นั่งดูเราก็บอกว่านั่งตัวโยกมีสาเหตุมาจากอะไรและจะแก้อย่างไรจึงจะนั่งตรงก็มีอยู่สาเหตุที่นั่งแล้วมันไม่ตรงเนี่ยอันที่หนึ่งมันง่วงมันง่วงมันจะไปตรงยังไงมันก็โยกเยกโยกเยกอันที่สองไม่ได้ง่วงแต่ว่าลมหายใจในตัวของเราเนี่ย ซึ่งมันยังไม่สม่ำเสมอไม่สม่ำเสมอในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าขาดห่วงขาดตอนแต่ว่ามันละเอียดไม่สม่ำเสมอบางครั้งลมมันหยาบเพราะว่าสมาธิยังปรับไม่ดีพอเดี๋ยวหยาบเดี๋ยวละเอียดเมื่อเดี๋ยวหยาบเดี๋ยวละเอียดลมมันไม่มันนุ่มนวลไม่สม่ำเสมอมันก็เลยเกิดอาการโยกอาการครงแต่เมื่อใดสมาธิของเราได้ส่วนเข้าลมมันละเอียดยิบไปเลย ละเอียดมันยังจะไม่หายใจเข้าไม่หายใจออกนั้นมันก็กายมันก็จะไม่โคลงไปโดยอัตโนมัติพวกเด็กกําพร้าเคยสร้างเวรอะไรไว้ครับพวกนี้ก็พวกเด็กกาพร้าถ้าใครอยู่บ้านป่าหน่อยแล้วจะเข้าใจอย่างพกพ ร, รานจะไปยิงแม่สัตว์มันไปยิงเก้งยิงกวางยิงแม่มันก็ปล่อยลูกมันเอาไว้ ไอ้พวกนี้พวกหนึ่งฆ่าสัตว์ฆ่าแม่มันฆ่าพ่อมันแต่สงสารลูกมันก็เลยไว้ชีวิตเอาไว้ไอ้พวกนี้พบต่อไปมัเป็นลูกกําพล้ากันไปอย่างเงี้ยนะถ้าไอ้พวกที่ฆ่าสัตว์ที่มันมีท้องอยู่ด้วยไอ้พวกนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติก็ตายในครันก็เท่านั้นะพระโสดาบันมีครอบครัวแล้วจะไม่เสื่อมลงมาเลยครับไม่เสื่อมเพราะพระโสดาบันเนี่ย ถึงแมนะ้มีครอบครัวก็ตามแต่ว่าศีลของท่านเนี่ยจะไม่ขาดเลยตลอดชีวิตท่านรักศีลของท่านยิ่งกว่าชีวิตเพราะฉะนั้นท่านจะไม่เสื่อมผู้ที่เป็นเบาหวานถ้าตอนใบบ่ายหมดแรงจะทานพวกน้ำหวานน้ำผลไม้พอให้มีกำลังจะนได้ไหมครับถ้าอยาถือศีลแปดได้พระพุทธเจ้าอนุญาตนไว้น้าพึ่งน้าอ้อย น้ำพึ่งน้ำอ้อยเนี่ยพวกน้ำคั้นผลไม้ต่างๆเนี่ยกินได้สบายสบายเลยไม่ได้ผิดวินัยตรงไหนแต่มีข้อแม้หน่อยสมมติน้ำน้ำส้มคั้นก็แล้วกันพอคั้นเสร็จแล้วแล้วก็ให้เอาผ้ากรองเอาเอาเอาเนื้อมันออกซะด้วยนะไม่งั้นก็กินส้มไปแหละฮะกรองเนื้อส้มออกซะก่อนแล้วกินแต่น้ํำมันได้หรือมะม่วงนี่คั้นข้าว อินเดียเนี่ยเวลาเขากินมะม่วงไม่ได้กินเหมือนคนไทยนะคนไทยเรามาฝานเป็นชิ้นๆกิ น, น, น, นมะม่วงสุกกอะอินเดียเนี่ยมะม่วงสุกเขาก็เอาบีบกินนะบีบแล้วก็ดูดกินเขาบีบแล้วก็ดูดกินมันก็เราลองไปขยำขยดูม้างละกันไหลาตามง่ามมือเป็นทางเลย มุ่งคนจากการไม่ดื่มสุราข้อที่สิบสามไม่มีใครริษยาหลวงพ่อกรุณาอธิบายว่าเหตุใดผู้ที่ดื่มสุราจึงมีคนริษยาด้วยอันนี้ถ้าพูดกลับอีกทีคนที่ดื่มสุราเนี่ยมันก็จะสร้างเวรไว้อันหนึ่งใครเคยเป็นบ้างแม่กินเหล้าเข้าไปแล้วเราจะสนุกเราจะเฮฮาของเราเต็มที่ใช่ไ ใครจะหลับใครจะนอนเออไม่มีเกรงใจล่ะเพื่อนมันจะดูหนังสือเวลาสอบไม่ได้เดี๋ยวมันจะได้ดีกับเรากวนมันไม่ให้ดูให้มากินเหล้ากับเราด้วยพูดง่ายๆในกรณีอย่างนี้เนี่ยพอกินเหล้าแล้วเคยคนที่กินเหล้าเข้าขั้นแล้วแล้วเมื่อนพบในอดีตเคยริษยาเข้ า, าไว้แล้วตามทรรดาวคนที่ริษยาคนอื่นก็มักจะมาจากเหล้าเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นพอกินเหล้าเับเวริศิยาเขาเอาไว้พอถึงคราวเวรนั้นตามทันครัไปที่ไหนก็ชาวบ้านเขาก็ศิยาเอานะ่ยนะผมเห็นพระสุบุรีถือว่าผิดศีลข้อห้าหรือไม่อันนี้โดยตัวอักษร น, นี่ไม่ผิดแต่ว่าโดยความควรอยากจะบอกว่าไม่ควรเลาลองพิจารณาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าในแง่ของความมืนเมาแล้ว สู่ไปถามบุรีนี่เมาไหมเมานะเพียงแต่ว่าพอมันเมาเคยๆ เ, เข้าแล้วมันเลยเฉยๆไปความจริงมันเมาเพราะฉะนั้นไม่ควรไม่มีในเป็นตัวบทกฎหมายในพระวินัยแต่ว่าในความรู้สึกแล้วไม่ควรอย่าไปแตะต้องมันเลยและอีกอย่างหนึ่งจากการฝึกสมาธิมามาเาเข้าเข้าไปพบอย่างนี้ พวกที่สู่บุรีเนี่ยแท้จริงก็เป็นเวรติดตัวข้ามพบข้ามชาตินะเวรอะไรเวรรมควันสัตว์ถ้าไเวรมควันสัตว์เช่นอะไรล่ะจุดควันรมพึ่งจุดควันร ม, มแมลงแล้วไม่ให้มันมีทางออกจนทั้งมันตายกันไปนั่นแหละ ฉีดยาฆ่ า, มาแมลงก็เป็นควันอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะสเปรย์ยาฆ่ า, มาแมลงมันก็เป็นควันอีกชนิดหนึ่งให้มันตายไปไอ้พวกที่มีเวรรมควันสัตว์อย่างเนี้ยถ้าเวร น, น้อยหน่อยก็สูบบุหรี่เวรมากหน่อยก็ซิกกาเวรมากอีกหน่อยก็เป็นบ้องบ้องมันก็มากันอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นเจอใครสูบบุหรี่ผิดศีลหรือไม่ผิดศีลก็ให้รู้ไว้เถอะไอ้นี่ มีเวรรมควันสัตว์ข้ามพบข้ามชาติมาเพราะฉะนั้นควรจะสูบต่อไปไหมมันก็ไม่ควรแต่จะผิดศีลข้อที่ห้าไหมในไวในก็ไม่ได้บ่งไว้ชัดเจนก็ต้องยกประโยชน์ให้จำเลยเพียงแต่ว่าไม่สูบละดีนะท่นที่หนึ่งมีบิดาพี่น้องสามีขี้เมานั้นเกิดจากเวรกรรมอะไร มีพ่อพ่อก็ขี้เมามีพี่พี่ก็ขี้เมามีน้องน้องก็ขี้เมามีผัวผัวก็ขี้เมาเราก็เมาถ้าอีกคนดูแล้วลรู้ล่อไจไงเราเองไม่เมาแต่ว่ามีคนที่เกี่ยวข้องกับเรานี่เมาทั้งนั้นพวกเมาเนี่ยพวกขี้เมาเนี่ยนะฝึกมากเข้ามากเข้าแล้วไปเจอพวกนี้ ทำไมมาเป็นขี้เมาขุดรากถอนเหง้าแล้วไปเจอพวกนี้พบในอดีตมีเวรเบื่อสัตว์ข้ามพบข้ามชาติมาพวกกินเหล้าเนี่ยนะมันมีเวรเบื่อสัตว์ข้ามพบข้ามชาติมาพอถึงเวลาเขาถ้าพวกเวรหนักๆมันก็ไปถูกเบื่อตายหรือเวรย่อนนอมอนอย่อกินเหล้าจนกระทั่งตาย หรือเวียนน้อยอีกหน่อยคือกินเหล้าแล้วเผาบ้านปลาชีวิตมันก็เลิกได้ทีนี้เรามีคนเกี่ยวข้องนี้ขี้เมาทั้งนั้นเลยก็ฟ้องเราว่าเราพบในอดีตนั้นไม่ได้เบือ่อสัตว์หรอกแต่ว่าเชียร์ให้คนอื่นเบือ่อสัตว์เพราะฉะนั้นเกิดมาพบนี้มีทายาิพี่น้องพ่อแม่ลูกมีลูกผัวขี้เมาหมดเป็นยง แล้วจะแก้อย่างไงจะแก้เรืยอย่างไงก็ตั้งแต่ชาตินี้เป็นต้นไปความชั่วใดๆไม่ทําแล้วเห็นใครทําชั่วก็อย่าไปเชียร์มันอย่าไปให้การสนับสนุนมันมันจะไปเบื่อสัตว์ถ้าคุณพี่จะไปเบื่อปลาเหรอนั่นแหละอย่าให้ยู่นั่นแหละไม่ต้องไปบอกมันมันจะเบื่อช่างหัวมันห้ามมันไม่เชื่อก็ถ้าไปบอกว่านั้นแนหะ่ะเดี๋ยวน้องจะจัดด้วยให้อย่าทํำนะ ทำเข้ไปยังได้ผัวขี้เมาอยูหลายชาติคนขี้กังวล น, นั้ น, นีเวรกรรมอะไรติดตัวมาจึงขี้กังวลมากพวกนี้ก็มีเวรสุรานนั่นเองมีเวรสุรากินเหล้า ม, ามามากเข้ามากเข้ามันก็มันก็ตื่อพอตื้อมันก็คิดไม่ออกคิดไม่ออกมันก็กังวลน่ะเวรสุราอีกเหมือนกันท่านที่ส่งของผู้ที่เป็นเจ้าภาพผู้ที่บวชตลอดชีวิตมีอะไรบ้างฮะ หลงพ่อกรุณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งโอ้ยโยเรื่องยาวเลยผู้ที่จะบวชเนี่ยวัตถุประสงค์ของการบวชก็คือฝึกตัวเองให้ไปสู่มรรคผลนิพพานฝึกตัวเองให้ละชั่วแล้วก็ทำดีให้ถึงที่สุดนั่นคนผู้ที่เป็นเจ้าภาพในการบวชเนี่ยสิ่งที่จะได้ไปคืออันแรกเลยนะ่ะ ทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีศรัทธาในการทําความดีในการละความชั่วมีศรัทธาในการทําความดีเนี่ยเตี่ยมล้นเลยนี่เป็นอันดีสองเบื้องต้นเลยมีศรัทธาเปี่ยมล้นเลยแล้วอันที่สองตัวเองก็มีกำลังใจที่จะทําความดีตามนั้นด้วยมีกำลังใจที่จะบวชตามเข้าไปด้วยในภพต่อๆไปอันที่สามตัวเองเนี่ย ก็จะเกิดความอันรักศีลรักธรรมะขึ้นมาแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยเมื่อถึงตัวคราวที่ตัวเองจะออกบวชจะเข้ามั่งเนี่ยจะไม่มีอุปสรรคขัดขวางบางคนจะบวชนี่ต้องหนีมาบวชบางคนหนีพ่อหนีแม่มาบวชบางคนหนีลูกหนีเมียมาบวชบางคนกว่าจะบวชได้เป็นผู้หญิงก็โ้โหขออนุญาตสามีแล้วขออนุญาตอีกว่าจะบวชได้แต่ว่า ท่านเราเป็นเจ้าภาพในการบวชเนี่ยของผู้ที่ตั้งใจบวชจริงๆแล้วถึงคราวที่เราจะบวชเนี่ยจะไม่มีใครขัดมีแต่คนให้การสนับสนุนเต็มที่หมดนีเป็น อ, อานิสงสนะ์โดยย่อนะด้วยอานิสงส์ผลบุญที่ได้ฟังเทศบงคนที่ยี่สิบวาในการสำรวมจากการดื่มน้ำเมาตั้งแต่ ต้นจนอวสานมีผลบุญมากน้อยเพียงใดขอบุญกุศลนั้นจงติดตามคุ้มครองให้พวกเราทุกคนเป็นผู้ที่ไม่เมาไม่เมาทั้งชีวิตไม่เมาทั้งความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่เมาทั้งความไม่มีโรคและไม่เมาในลาบยศสรรเสริญสุขสต่างๆ แต่ให้เป็นผู้ที่มีความไม่ประมาทรักษาตัวให้มีสติตลอดไปจนตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานเทิน